เรื่องไม่หยุดจะหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเข้าพรรษาไปได้ประมาณเครื่องเดือนที่วัดป่าบ้านน้องผือหน่วยกองโจรพลพรรคก็ยกเข้าไปตั้งค่ายอยู่ห่างประมาณกิโลเมตรเศษเสียงปืนเสียงระเบิดไม่มีหูเข้าหูออกทั้งกลางวันกลางคืนผู้รักสันติอย่างท่านพระอาจารย์สู้โดวยวิธีการดังผู้เล่าจะเล่าต่อไปนี้ เข้าพรรษาผ่านไปแล้วประมาณสิบเจ็ดวันวันนั้นดูท่าทางท่านขรึมเวลาไปบินธบาตปกติท่านจะชี้นั่นชี้นี่อธิบายไปด้วยวันนั้นเงียบขรึมจุดที่รับบินทบาตมีม้านั่งยาวสำหรับนั่งให้พอยตฐาสัพพีเสร็จท่านเอ่ยถามชาวบ้านว่าป่านี้ข้าศึกศัตรูก็ไม่มีเขายิงอะไรกันชาวบ้านตอบไม่ทราบพระกระผม ท่านว่าป่าที่นี่มันเป็นดงเสือป่าเสือหรือว่าเขาอยากยิงเสือว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปบินธบาตตลอดสีแห่งก็พูดอย่างนั้นตกตอนเย็นพอสิ้นแสงอาทิตย์ทั้งเสียงปืนทั้งเสียงระเบิดก็ดังสนั่นกึกกล้องตลอดทั้งคืนจนรุ่งสางมีพลพักเป็นไข้ตายในบังเกอร์สองคนอีกสามคนกระเสือกระสนออกไปตายอยู่บ้านตนเอง สามศพรวมเป็นห้าศพปรูอุไทยสุพลว น, นิ์ชาวหนองผือมาเล่าให้ฟังว่าพอสิ้นแสงอาทิตย์มองไปทิศไหนก็มีแต่เสือทั้งนั้นชนิดลายพาดกรอนทั้งแย่เคียวคิ้วขมวดใสเป็นร้อยร้ยพันพันถ้าเสียงระเบิดเสียงปืนซาลงเมื่อไรเสียงเสือยิ่งเข้ามาใกล้เลยหยุดยิงไม่ได้ยิงปืนจนรุ่งสางพอสว่าง เสือตัวเดียวก็ไม่มีแม้แต่อรอยลองคิดถึงคำพูดของท่านพระอาจารย์ดูสิว่าคาศึกศัตรูก็ไม่มีเขายิงอะไรที่นี่มีแต่ดงเสือเขาอยากยิงเสือหรือและได้ยิงจริงๆด้วยสู้กองพลเสือไม่ได้แตกหนีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กองจนพลพักก็ไม่เห็นหน้ากลับมาอีก การฝึกพลละพักใครๆก็กลัวตายมาขอร้องกำนันให้มากราบเรียนท่านพระอาจารย์ให้ทำหลอตะกรุดและพยันท่านทำอยู่สิบห้าวันก็สั่งหยุดอย่างกระทันหันยังบอกกำนันว่าท่านหยุดแล้วหากกำนันไม่หยุดท่านจะหนีกลางพรรษาถือว่าเป็นภัยทางพระวินัยเป็นอันุติแต่วันนั้น ผู้เล่าไม่รู้ไม่เฉลียวใจจนผ่านมาหลายปีกองโจรพลพรรคได้กลายมาเป็นกองโจรคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบจึงรู้ว่าท่านเหล็งเห็นแล้วว่าพวกนี้เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนารูบาอาจารย์ผู้เป็นสัตบุรุษจึงไม่สนับสนุนหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่าสัตบุรุษเป็นการเขียนอย่างสันสกฤต ตรงกับบาลีว่าสัปปุริสะแปลว่าคนสงบคนดีคนมีศีลธรรมคนที่ประกอบด้วยสัปปุริธรรมมักอ่านเพี้ยนไปว่าสัตตบุรุษซึ่งจะทำให้ความหมายคลาดเคลื่อนได้เพราะสัตตะแปลว่าเจ็ด